และธรรมเทศนาลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าธรรมะเพื่อครองตนครองคนสู่สันติสุขในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จเข้ามาวัดท่านให้หยุดสวดพระปฏิโมก เียว่าปฏิโมกวดปฏิโมกเนะี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสําคัญอย่างมากต่อคณะสงฆ์สวดเว้นไม่ได้ถึงจะเป็นยังไงยังไงใครมาก็ตามเก็บไข่ได้ป่วยยังไงก็ตามต้องมอบฉันทะในวันอุปสถแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จนี่ท่านให้หยุดหยุดสวดพระปฏิโมกท่านให้ความสําคัญถึงขนาดนั้นแหละหลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนาในคู่กับสถาบัน พุทธศาสนาในคู่กับสถาบันในพวกเราฟังเอาไว้ประเทศไหนที่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองอย่างพมา่าเนี่ยเข้มแข็งขนาดไหนก็เถิดไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นหลักแล้วอ่อนแอปวกเปียกไปหมดอินเดียหมดจากประเทศเลยทั้งที่พุทธศาสนาอยู่ที่อินเดียอย่างอินโดนีเซียก็เหมือนกันพวกเราเห็นไหมบุรุพุทโธเนี่ยแน่นหนามั่นคงขนาดไหนก็หมดอีกเหมือนกัน ที่เมืองไทยที่อยู่ยงคงกะพัน์ดยอยู่ได้เป็นคู่กับประเทศชาติก็เพระพุทธศาสนาเพราะสถาบันกษัตริย์เป็นหลักประเทศลาวกดูสิงอนแงนคอนแค้นไปกัเมเก็เหมือนกันก่นงอนแงนค่อนแค้นไปเหมือนกันยังเหลือประเทศไทยพระพุทธศาสนายัางอุดมสมบูรณ์หลักทำคำสอนอยังพร้อมพระสง แต่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยก็ยังเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของพี่น้องประชาชนพระสงส์ผู้ทรงศีลก็ยังมีอีกมากผู้ทำเกวเลเกวราชอันนั้นก็มันก็มีอยู่ไม่ว่าครั้งพุทธการไม่ว่าครั้งนี้มีอยู่ถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกเราก็รู้ได้ว่าพระในครั้งพุทธการก็ใช่ย่อยเมื่อไหรออกนอกลูก่นอกทางเพราะพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัย สินสองร้อยี่ดก็คือพระทำไม่ดี น, นั่นแหทำอย่างนี้นกบัญญัติวินยัยเหมือนกับบัญญัติกฎหมายลักษณะอย่างนั้นนะ่ะแต่กับภิกษุณีอีกต่างหากภิกษุณีก็ประพฤติตนไม่ดีก็บัญญัติพระวินัยอีกเหมือนกันบัญญัติสินภิกษุณีอีกทั้งหมดรวมกันแล้วก็สินทั้งส0 0อข้อสินทั้งส0 0้สิกขาบทภิกษุณี ที่บัญญัติศินเพราะอะไรก็เพราะพระทำผิดพิกิตณีทำผิดทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเพราะนั้นพระในครั้งนู้นพระในครั้งนี้ก็คือพระคนมีกิเลสเหมือนกั น, นกิเลสราคาโทสะโมหะเหมือนกันคนยุคนั้นสมัยนี้แต่ถ้าว่าคนยุคไหนสมัยไหนถ้าเอาศีลธรรมเข้ามาข่ม ออกมายึดเป็นแนวปฏิบัติก็ไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ดีด้วยการทั้งนั้นเพราะการกระทำพวกเราคิดดูให้ดีสิถ้าว่าคนคนเราเนี่ยมันดีเพราะอะไรเพราะเชื้อชาติใช่ไหม เ, เมื่อเมืองประเทศอินเดียนยไม่มีคนชั่วใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่อเมริกาเป็นฝรัง่ง ไม่มีคนชั่วเลยใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่พิพากษาอายการเป็นผู้ถือกฎหมายไม่มีความชั่วเลยใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่เขาปลุกปลดมาไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันต่างประเทศถูกฆ่าก็มีอีกต่างหากเพราะตัดสินอะไรไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นแล้วใครเป็นคนที่ถูกต้องพวกเราคิดดูทันดีกันแล้วกัน ทำเปียบเที่ยงของเมืองไทยทุกวันเนี่ยกำลังฮือหากันเสือแลงบงังเสือเลื้ยงบงังเสือแดงบงังเสือสีฟ้าบางังไม่ว่าเสือไหนไหนทั้งหมด่ผู้ไม่มีเสื้อผู้แก้เสื้อทําผิดผิดไหมมันก็ผิดขนาดไม่มีเสื้อมันจึงทําผิดอยู่แล้วผิดเพราะเหตุไรเพราะการกระทำํำเพราะนั้นให้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอ ไม่ว่าเสื้อครูโรงเรียนไม่เจ้าว่าเสื้อทหารเสื้อตำรวจใส่ยูนิฟอร์มของแต่ละชุดไม่ว่าจะเสื้อเหลืองไม่เดือดว่าไม่ว่าแต่พระสีกลับสีเหลืองทำผิดผิดทางนั้นเพราะอะไรเพราะการกระทำไม่ได้เลือกว่าใครสมภารทำผิดผิดไหมผิดลูกน้องพระในวัดทำผิดไม่ผิดญาติโยมทาผิดไม่ผิดไม่ชีทำผิดไม่ผิด เพราะอะไรเพราะทำผิดมันก็ต้องผิดเหมือนกับจับไฟประธานาธิบดีจับไฟร้อนไหมร้อนนายกเลยร้อนไหมร้อนเอ่ใครจับไฟไหมร้อนไหมร้อนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าไฟเนี่ยเป็นของร้อนมันเสมอภาคอันนี้กรรมคือการกระทากรรมคือกรรมชั่วใครทําก็ชั่วทั้งนั้นถ้าใครทําดีมันก็ดีทั้งนั้นเพราะนั้นในพวกเรา ทุกทุกท่านทบทวนตัวข้าไปเจ้าทำดีหรือทำชั่วขณะนีนะ้ให้โอปัญิโกเท่น้อมเข้ามาหาตนเองข้าไปเจ้าทำดีหรือทำชั่วในขณะนี้พูดดีหรือพูดชั่วคิดดีหรือคิดชั่วในขณะนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกทุกท่านให้พวกเราโอปัญิโกน้อมเข้ามาหาตนสิ่งที่มันชั่วอย่าทำ อย่าคิดอย่าพูดอย่าทำสิ่งที่มันชั่วพรพวกเราได้รับการศึกษาปริญญาตรีโทเอกผู้ชำนาญการอีกต่างหากโปรเฟสเซอร์อีกต่างหากแต่ว่าเราเอาคอยตามกิเลสตามกิเลสกิเลสพาเดินไปเกิดราคะก็ตามกิเลสเกิดโทสะตามกิเลสเกิดโลภะตามกิเลส สรุปแล้วก็คือไม่มีการหักข้ามไม่มีการใข้ควรทบทวนว่าที่ดโลกไปเนี่ยมันถูกต้องไหมมันเบียดบังของหลวงไหมมันเบียดบังของใครไหมโลกอยากจะได้ของเขาใช่ไหมมันถูกต้องตามหลักธรรมวินัยไหมมันถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้ามันไม่ถูกต้องหละ่ะจะไปคิดอยากไปทำแล้วก็อยากไปพูดเอ่ยปะขอเขาอีกถ้าโลกไม่ถูก ถ้าโกรธก็เหมือนกันที่เราโกรธเนี่ยมันถูกทางไหมมันสมควรจะโกรธให้เขาไหมแต่ท้าว่าเรามันถูกถูกต้องแต่ว่าเขาทาปิดจริงมันก็เฉยเฉยถ้าเราไม่ดุด่าว่ากล่าวเเลยมันก็ไม่ได้เราก็ใช้อาการของความโกรธอย่างหลวงปู่มั่นทันว่าความโกรธนั่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้เหมือนกับไฟนั่นแหละ ถ้าเอาไปเผาผู้เคนเผาบ้านเผาเรือนมันก็เสียหายแต่เขามาหูหาอาหารต้มอาหารกินเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราไม่รู้รู้จักใช้นะ้มันเป็นโทษนี้ก็เหมือนกันเน่ความโกรธถ้าเราใช้อาการของความโกรธมันก็เกิดประโยชน์นะทำไม่แต่ท่านผู้ที่ใช้อาการนะ้มันต้องเหนือเหนือเหนือกิเลสเหนือความโกรธไปแล้ว อย่างเขาทำผิดลูกน้องถ้าผิดใครๆทำผิดเนี่ยก <s uch> ็ไม่โกรธให้เขาดีน้อดีน้กเน่ยมันจะเป็นยังไง <s RP> เขาก็เพ้อเพอก็จะเหยียบคนที่สอนอีกบอกกล่าวเขาอีกผู้มีอำนาจอีกต่างหากแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาทำผิดไม่ถูกต้องถึงเราจะไม่โกรธขนาดไหนเราจะไม่โกรธในจิตในใจทั้งที่เราไม่มีไม่มีความโกรธแต่เราก็ต้องใช้อาการความโกรธหยดนะอย่าทานะ ทำอย่างนี้มันผิดนะอย่าให้เห็นอีกนะถ้าเห็นอีกนะจัดการนะไล่นะไล่นี้จะวัดนะอยางลงตาหมหาบัวธันวานไล่นี้จะวัดนะมันมาทําไมมาให้หนักใจอยู่ทําไมอย่าให้อยู่หนใจไม่ได้เชิญใครมานะไม่ได้นิมนต์ใครมานะมาอยู่ให้เราหนักใจทําไมทําไมทําอย่างนี้แต่ท่านพูดแล้วท่าน ก, ทานก็ท่านก็ไม่ได้โกรธ แต่ว่าอาการที่ท่านแสดงออกไปนั้นเด็ดเดี่ยวใครที่เห็นแล้วก็โหขยาดเหมือนกันเลยเนยถ้าหากว่าไม่ทําอย่างนั้นยังไม่ถอยหลังเนี่ยก็โตนไล่จริงๆฮ ร, รเพราะอะไ่เพราะว่าใช้อาการของความโกรธเพื่อเป็นการปกครองนี่แหละแต่ใช้โกรธจริงๆหัววัดหัวเวียงขนาดเรื่องผ่านไปแล้วยังผูกพยาบาทอาคาตจองเวรเขาอีก อันนั้นไม่ถูกนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันการอยู่เป็นหมู่เป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องลักษณะอย่างนั้นทุกคนก็มีความผิดมันผิดได้ทุกคนถูกได้ทุกคนผิดได้ทุกคนแต่บางคนก็หลวงพ่อเคยพูดว่าอย่างครูบาอาจาร ท่านมีศีลมีธรรมท่านกันกรองไต่ตรองถูกไหมหลวงพ่อว่าบางครั้งท่านก็เป็นอุปนิสัยของท่านก็มีแต่บางครั้งก็ลูกศิษย์ลูกหาผู้อยู่ใกล้ชิดแต่ตามไม่จริงตัวของท่านเอเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงไปตรงมาเป็นศีลเป็นธรรมเป็นอัดเป็นธรรมอยู่แล้วแต่ผู้อยู่ใกล้ชิดนะ่เอาข้อมูล เอาเข้าคอมพิวเตอร์เอาข้อมูลผิดเข้าคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับข้อมูลผิดมันก็ต้องผิดนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่อยู่ใกล้เอาข้อมูลเข้าเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ใกล้นต้องการกรองไตรตรองอีกที่หนึ่งอีกเหมือนกันกว่าจะรู้ได้มันไปที่ที่ไหนแล้วนี่แหละอันนี้กับส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ สรุปแล้วก็คือให้โอปัญิโกให้มองตนเองขณะนี้เราทําอะไรอยู่คิดถูกไหมทําถูกไหมพูดถูกไหมถ้าเราคิดไปอยู่เสมอในใจให้มีสองธรรมะถามตัวเองอยู่ไขควรทบทวนถามตัวเองอยู่เสมอสิ่งไหนที่มันจะไปทางสุดโต่งไปทา ง, ทางที่มันไม่ดีเราก็จะรั้งตัวเองแนะหยุดห้ามตัวเองได้ แต่ามว่าพวกเราไม่เคยคิดเลยไม่ได้นะถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะอย่างที่หลวงพ่อพูดปริญญาตีโทเอกโปรฟิเซอร์ก็เถอะถ้าตามกิเลสไม่มีห้ามกิเลสภายในใจของเราเนะี่ยถ้าโลภ ก, ก็โลภถ้าโกรธ ใ, ใครก็โกรธถ้ารักใครก็รักจนทำความชั่วเสียหายขึ้นมาได้จนขาดความยับยั้งนะี่แหละมันกิเลสพานำกิเลสพานาไปกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ กิเลสโลภะมันอยู่ในจิตในใจมันกระโดดออกไปจ น, จนรังไม่อยู่แต่ถ้าเรามีทํามได้อบรมดีแล้วไปโลภไปเพื่ออะไร ต, ตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมโกรธไปเพื่ออะไรเราจะอยู่โชวฟ้าดินทลายกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมรักรักไปทําไมถ้ารักแล้วมันเป็นยังไงเขากับเราจะสวยงามไปตลอดเออ เป็นอนันตาการอย่างนั้นใช่ไหมตัวเองจะไม่ตายใช่ไหมตัวเองจะไม่แก่ใช่ไหมเห็นไหมคนแก่เราจะรักไปอะไรมากมายนักนาเห็นไหมจะอยู่ด้วยกันนานสักเท่าไรากิเลสราคาถ้าเรามีห้ามในใจอย่างนั้นทั้งกิเลสตัวไหนก็เถอะถ้ามีทำอยู่ในใจเบรกเอาไว้มันก็ดูในกรอบความถูกต้องด้วยกันทั้งนั้น เพานั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นให้เขาเป็นแนวความคิดสําหรับเบรกเบรกใจของตนเองอย่าให้ออกสุดโต่งไปในทางที่ไม่ถูกต้องทางที่ไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมนะให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยความถูกความผิดความถูกเนี่ยมันอยู่ในกรรมคือการตธรรมทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอ่มันไม่ไม่อยู่ในเชื้อชาติ มาอยู่ในศาสนาไม่ได้ยูในเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อขาวเสื้อสีกะทิเสื้อเขียวเสื้ออะไรแก่เสื้อคนแก่เสื้อไม่มีเสื้อยังทำผิดก็ยังผิดอยู่มันเป็นเพราะสีแดงนะมันทำผิดเป็นผิดมันยังถูกแก่เสื้อด้ซิว่าทำมันจะผิดไหมมันก็ผิดอย่างเก่าเพราะนั้นสรุปแล้วคือกรรมคือการกระทำ ไม่ว่าเชื่อไหนไม่ว่าเชื้อชนชาติไหนไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ทำผิดผิดทำถูกถูกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสอนเอาไว้กรรมคือการกระทำการทำกรรมทำได้สามทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมกายกรรม ค, คือการกระทำทางกายฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมามแล้วก็ดื่มสุรา วจีกรรมกับพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาดพูดเล้วไหลพูดไร้สาระประโยชน์พูดโกหกหลอกลวงลวนท่้นจะเป็นคำพูดวจีกรรมมโนกรรมก็คือโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้เขาเห็นผิดจากทํานองครองทมเห็นผิดจากทํานองคลองทำเในตัวนี้กว้างขวางมากเนละยบัญญายไม่มีที่สิ้นสุดนะทำบรรยายไปหลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหารคิดออก นอกรูนอกทางเ อ, อไม่อยู่ในศีลในธรรมมีมากตัวนี้คิดคิดออกนอกรูนอกทางออกนอกศีลธรรมโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขา เ, เห็นผิดจากทํานองครองธรรมเกาว่าเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิคํำนี่น่ะกว้างขวางถ้าจะบรรยายไปแล้วหลวงพ่อคงไม่ได้ชั้นอาหารเอาตอนนี้ไปลนะพร น, นั่นตะัวนีนะ